เรือนาในกายขาบไปมันมันใจร่มหรือว่ามันเจ็บมันปวดอะไรนะใช่ถูกต้องเป็นอะไรกันเกิดขึ้นเดยวว่ากาหนดแยกกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายกายไม่มีในเราเราไม่มีกายกายไม่ใช่เราโดยลักษณะไหนก็ไม่พิจารณาแยกกายไม่ใช่เราโดยลักษณะไหนถึงจะว่ากายไม่ใช่เราก็รู้ว่ากายเนี่ยมันคือธาตุสีที่ประกอบด้วยที่น้ำไปลงคือพิจารณาแยกอย่างนั้นอยู่ นี่คือการอธิบายว่ากายไม่ใช่เราโดยการเห็นเป็นท่าสีอยู่ใช่ไหมคืออธิบายให้ตัวเองฟังอธิบายให้ตัวเองรับทราบแล้วสามารถเชื่อมโยงไปในเวทนาได้ยังไงก็ก็ดูดูมันไปแล้วมันก็เกิดความเจ็บความปวดอะไรขึ้นมาเนาะก็เห็นมันเกิดขึ้นมาอีกเวทนามันก็ไม่มีตันตนมันเป็นแค่นาม มันเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างั้นก็ดับไปของมั น, จ, นจะไปยึดตัง้งอยู่มากอะไรต่อมนันไม่มีสะะมมาร ะ, ะสาระแห็งทันไมได้อย่างนี้นะคะ่ะต่อไปยังไงอีกทีนี้มันเข้าไปหาสัญญาได้ยังไงตัวสัญญาอ๋อมันก็เป็นความจำว่ามันมันมันเกิดการกระทบกันระหว่างภายในภายนอกค่ะอัตะนะิยะ มันก็เป็นสัญญาจำให้ให้รู้ว่ามันเป็นการจําทางอารมณ์ใช่เราไปจําอารมณ์แห่งความเจ็บจําอารมณ์แห่งความรู้สึกในกายจำจำจำจำจนอาการจํานั้นจนเข้าใจว่าเป็นความจริงก็เลยรู้สึกว่าเป็นจริงเจ็บจริงปวดจริงอย่างนั้นขึ้นมาพอพี่นายแกกอย่างนี้จึงเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่สัญญา การจําไว้ในอารมณ์และความรู้สึกของเวทนาเท่านั้น <Okay. S 1> เมื่อพี่นาเห็นกายไม่ใช่เราเวทนาที่เกิดกับกายก็ต้องไม่ใช่เราความทรงจําในอารมณ์ที่ทําให้เกิดความรู้สึกในความเจ็บปวดในกายก็ไม่ใช่เรา <Okay. S 1> ที่อาตมาพูดเนี่ยยมน้องก็รู้แต่อธิบายอย่างนี้ยังไม่ชัดเจนเท่านั้นเองใช่ไหมเออมันจะเป็ น, นทํามนองนั้นแนะ่ะแต่ทีนี้คือคือการถ่ายทอดเลืออธิบายนี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่สิ่งที่รู้เขาไปเห็นนะั่นอะ ไปรู้ไปเห็นอย่างที่ว่านี้ทีนี้แล้วเห็นเวทนาเอ้แล้วเห็นสัญญาขันเกิดดับอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี<อ>เน้เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดใช่ไหมแล้วยังไงต่อทีนี้ตอนที่เห็นนะคือมันนั่งเหมือนจะชัดขึ้นมาชัดบ<า>แบบไหนชัดโดยการเกิดดับหรือชัดแบบเกิดดับเกิดด<า>ับเห็นตัวสัญญาขันเกิดดับชัดชัดติดต่อเนื่อง<า>อในขณะนั้น เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตก็ดูจอดูอยู่อย่างนั้นแล้วหูก็ได้ยินเสียงที่สไปร์ลกลับมาโบนอะไรอะนั่นอันนี้บอกเออหูมันก็เป็นสระแล้วหูมันได้ยินของมันมันก็ทำหน้าที่ของมันหูได้ยินเสียงไปแต่เราดูการเกิดดับอยู่ยังไงต่อมันก็ดับดับดับไปจนมันเกิดความว่างความว่างเป็นความรู้เป็นแบบมึนมึน เบาๆยังไงมีอยู่ในกังวลนะคะเราก็ดูเออความว่างมันก็มันก็สามารถเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของมันมันก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงก็ยึดอะไรก็เกิดจากเห็นในการพิจารณาจึงไปเจอความว่างแสดงว่าความยากว่างนั้นก็มาจากผลของการปรุงแต่งปรุงแต่งในจิตที่พิจารณาอยู่จึงมาเป็นความว่างได้ ทีนี้ก็คือเกิดความรู้ตามมาในทำทั้งปวงในกายในขันนอะไรกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่การน้ำหอมนี่ความรู้ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นไหลมามันตับตานาำเนาะไหลลงสู่ใจนี่รู้เกิดอธิบายให้ตนเองฟังให้รับทราบให้แจ่มแจ้งไม่ให้สงสัยอะไรในสิ่งที่รู้อยู่นั้นมันจะไม่ให้เราสงสัยสภาพธรรมจําไว้เลยว่าเวลามันเกิดปัญญารู้แล้ว มันจะไม่ให้เราสงสัยในทางมันมีทางงงกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสภาวะที่เกิดขึ้นทางงงกับสภาวะที่เกิดขึ้นไปเจอสภาวะเรื่องงงไม่รู้ไม่เข้าใจอันนั้นไม่ใช่ปัญญาอันนั้นไม่ใช่ธรรมบงคลปฏิบัติไปเจอสภาวะเรื่องงงไม่รู้ไม่เข้าใจมาถามถ้ามาถามสภาวะอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ถูกมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วไปงงกับสภาวะอันนั้นอ่ะนะมันไม่ถูกแล้วหรือถ้าถูก แล้วไปดัน ง, งงกับสิ่งที่มันผูกอยู่นั้นโดยไม่ทําความเข้าใจ แ, แะเรียว่าการที่นําไม่พอแต่นี่พอเนี่ยเนี่ยพอพอจึงสามารถเกิดเป็นความรู้และอธิบายให้ตัวเองฟังได้และอธิบายนั้นไม่ใช่ว่าไปอธิบายแบบยกเรื่องนั้นเรื่องนมาอธิบายนั้นมันเป็นของมันเองมันเกิดความรู้รวมตัวเกิดขึ้นอธิบายในตัวตัวเองเองเขาเรียกว่าเป็นการรอบรู้รู้รอบรู้แบบชัดเจนของแค่แล้วจึงเป็น เรื่องความรู้ที่มาอธิบายต่อจิตเองเราก็ได้แค่รับรู้ต่อสิ่งที่มันอธิบายแล้วก็เกิดความเข้าใจตามนั้นใช่ไหมละ่ะ<ม>ก็แจ้งแจง้งจิตก็เบาโปง่งโล่งรับทราบแต่เป็นการรับทราบเบาโป่งโล่งหรือสบายแบบมีปัญญาไม่ใช่รู้เฉยรู้ซื่อรู้ทื่เอเใช่ <l> ใช่ไก็เมื <l> ่อก่อนเน่ยก ตอนทำเนี่ยวรู้สึกเฉยรู้ ส, สึกซื้อรู้สึกยพยายามเอามาขีมาแบบวิเคราะห์ดูว่าเราเป็นอย่างนี้นหรือเปล่าแล้วก็พยายามทำแบบไม่ไม่ออกความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องคือทำไปทาไปสักเท่าไรทำคือณตอนนั้นคือเอาธรรมาชาติของจิตคือมันมันไม่อยากพุ่มมันอยากให้พ้นพุ่มอะมันจะพยายามหาหน้า น, านั้นนี่มา แบบพิธีการมาใช้เพือ่อที่จะให้ไม่อยากจะเจอทุกข์บตรเทาได้บ้าหรือหรือปิดมันต่างกันกับกับอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือความรู้นี่คือความรู้มันจะไม่งงมันจะไม่สงสยัยมันจะไม่เอ๊ะคืออะไรเอ๊ะอะไรไม่มีมันจะถูกอธิบายหมดเลยในจิตสงสัยเรื่องอะไรก็ตามมันจะตอบให้เราได้หมดนี่นคือความรู้ มันจะไม่ปล่อยให้เราสงสัยง่ายๆหรือปล่อยให้สงสัยแบบผูดงา่ายวิจิตีกิจชานะ้ามันไม่มีแล้วนะใช่ไหมยังสงสัยไม่ว่ากลายเป็นเราเราเป็นกายตอนนี้นสส ย, ยั ง, ย, งยังแจ่มแจ้งใช่ไหมการปฏิบัติทําไม่เลยผลนะยังได้อยู่ยังมีผลอยู่มันก็มุดเข้าไปดูเรือข้างในนะว่าไอตรงไหนมันเป็นเรา <laughs> นั่นแหละมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่มันเหมือนกับว่ามันมันหายตรงนี้ค่ะแล้วมันก็มุดมุเข้าไปค้นหาตัวถูกคือคือพยายามที่จะจับหาตัวตนที่มันมีอยู่ในตัวเรามันอยู่ที่ไหนแต่ว่ามีตัวอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความเพียรที่ถูกต้องจิตนั่นแหละมันเป็นตัวหานะหามอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนตัวตนของเราอยู่ที่ไหนจิตเป็นแต่ควานหาอยู่ในตัวเองนี่แหละมันไม่ไปไหนหรอก ปัญหาอยู่นี่แหละผมผลเลือกฟันนั้นเล่าเองก็ดูยอลงไปแต่ละอาการมันไม่มีอะไรผิดธรรชาติทั้งหมดแล้วถ้าพอมันเข้าไปถึงจุดที่ว่ามันไม่เหลือะไรเลยแค่ปกเนียบเฉยแล้วมันใจมันเกิดความปวดหูปวดเบสปวดสามเวสแล้วน้ําน้ําำตาจะไหลเนี้นนนยครับอะ น, นั้นก็ยังเป็นอยู่ในส่วนของอนิพิธาเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเกิดนิพิธา สลดสังเวชนี่พิธาอย่างยั ง, ย, งยังไม่ใช่คือมันก็ต้องไปอย่างนี้แหละเราก็ต้องเอาความสลดสังเวชเลยนี่พิธาเนี่ยเป็นตัวเดินเพราะตัวหดหู่หรือสลดสังเวชนี่เป็นตัวปัญญาเป็นตัวเดินเลยแต่ต่างจากแต่ตาา่ตางจากอันนี้อันนี้นี่เกินไปนู่นแล้วนะพิจารณาขีเข้าขีเข้าขีเข้าบอมบ์เต็มใช่นี่นี่แม้จะเห็นบางอย่างก็ตามก็ยังไม่เหมือนบางอันนะ ว่างมันหลายว่างเนี่ยนี่เหมือนกันเนี่ยว่างมันนั้นเป็นว่างอย่างยิ่งเนี่ยอันนี้นี่ยังไม่ยิ่งยิ่งเนี่ยอ๋อจริงๆริงใช่ไหมมันไม่ใช่เหมือนมันไม่เหมือนว่างที่เคยเจอสัมผัสใช่ไหมหล่ะเงือ้ะบางแบบว่างแบบไม่ต้องรักษามัน ใช่ไหมใช่ค่ะมื่ก่อิ้มปุ๊บมันก็จะเหมือนจะคายออกอันนี้ไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปประคองไม่ต้องไปบอกให้จิตทําให้จิตให้ว่างอะไรไม่ต้องว่างมันเองหรือมันจะไม่ว่างก็เรื่องกมันเอง <c oughs> มีปัญหา <c oughs> นี่แหละมันต้องได้อย่างงี้แหละไปโดยเกียงกี่ครัง้งกลับมานี่โอ้แต่ละครั้งนี่ <c oughs> ทังแรกสามวันสวันเวันแล้วก็เจดวันแล้วก็อีกสองสามวันไปนีกี่ครั้งแต่ละครั้งก้าวหน้าไปตลอดอการปฏิบัติธรรมมันประมาณสี่ครั้งสถานที่ให้ประโยชน์อะไรกับการปฏิบัติบ้านลองลองให้ฟังหน่ยสิ ม, มันแตกต่าง ย, ยังไงกับที่บ้านกับที่ ลอยเกียงให้ปลานในเขาอย่างเงี้ยที่น้นมันจะได้ความสงบแล้วก็มันจะมีความเพียรของมันข้างในเองค่ะสง<ม>บไม่ต้องทำอะไรหรออยู่ที่นั่นหรือทำยังไงไก็กทาทุกอย่างใช่ไมมันลุกมันลุกายแต่ว่าข้างในมันสงบจิตมันรับความสงบของสถานที่ได้สัมผัสกับจิตอยู่ เอาแล้วอยู่ที่บ้านอี่นี่อยู่ที่บ้านมันก็เหมือนกับบนสนามรถมันเหอนี่อ่านั้นไปอันนั้นไปไปบ่มบ่มบ่มอินรีให้แก่ก้าพอกลับมาถึงบ้านเอาแล้วเวียยตนะทั้งโรับกระทบปดเลยใช่ไหมบ้านนยมมันมีทั้งมนทั้งอะไรสารพัดอย่างนี่มันจะกวนอะค่ะยยยยายยยยยยยูยยยยยยยนกายใจรับได้หมดเลยก็เลยเกิดการกระทบ พอกระทบก็บเกิดการอะไรเกิดก็เกิดก็ด่ อ, อให้เกิดการรับรับ ส, สัมผัสรับทราบอยู่ภายในกระเทือนจิตกระเทือนใจกันไปแล้วก็ปัญญาที่นาเอามาใช้ในตอนนั้นใช่ไหมละ่ะรู้เท่าทันกันถ้ารู้ทันก็โอเคถ้ารู้ไม่ทันก็เซ็ตทีนี้ถ้ารู้ก็ครอบงำแต่มาเที่ยวนี้รู้ทันใช้ได้ไม่ใช้ใช้ได้ธรรมดาใช้ได้ดีด้วยแสดงว่า การหลีกเล่นก็เป็นส่วนที่ดีอย่างหนึ่งใช่ไหมเพะโยมจะตั้งใจไ ป, ไปเผชิญความจริงทุกอย่างที่นู่นค่ ะ, ะไม่ว่าความทุกข์ความยากความกลัวความอะไรที่มันไม่เคยจะรับได้คือตั้งใจไปเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อจะ่จะรับมันทําให้จิตเกิดการพัฒนาขึ้น สบายแล้วความเพียนมันหย่อนแต่ว่ามันจะได้ตอนที่เราเกิดไอ้ความเจ็บความปวดมากมานโอ้หน่าไรอยู่รอยเกียงหมดไหมออกจริงๆนถ้าเป็นอย่างเงี้ยไรอยู่รอยเกียงย้ายรอยดีเปล่าถัลุกโดยทำก็วหวอยู่ีิ ฉันก็ว่อย่ใมผมก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่่ผมเดี๋ยวไม่หลอดยเทียนแลนะตรงนี้ให้กูกายเปิดเรียนสอนมันมากจะสอนอะไรก็สอนไปสอนนักเรียนก็สอนไปเอาเดี๋ยเอาคนพาคนหนีออกจากวัดตานก็ต้องไปอยู่ที่ป่าที่เขาเท่านี้หนอน แต่ตรงนี้ก็ไปไว้ที่เผืนแผ่ทาพอพอมีคนเข้ามารับสั่งฟันปุ๊บอะไล่ขึ้นดอยหมดอ๋อเอางั้นเลยขึ้นดอยอ๋อคู่กายมาปัญหา โยมพี่โยมจะถามอาจารย์อันนี้มันเป็นปัญหาสําหรับชาวบ้านเข้าไปนะคะเพราะว่ามันมีอ่าเหตการโกละหมวุ่นวายเรื่องของการกระทบกันของชาวบ้านคือมีคนที่เขาตาแล้วทีนี้เขาเผาวันศุกร์บทีนี่ก็จะมีคนที่คือความเชื่อเชื่อแบบไม่มีเขาได้เชื่อสืบๆืบกันมาแบบไม่ถูกต้องนะคะแหละค่ะไม่มีวิจารณญาณมีแต่วิจารณ์ญาณไม่มีผ้านเผาวันศุกร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเผาวันศุกมันไม่ดีเขาถือด้วมาก ไอ้พวกพี่วิจารณ์ก็วิจารไม้คนนี้ไม่มียาน่ะถ้าวิจารณนะยานคือมียานอย่างทราบแล้วมันจะไป็ไม่วิจารณไทยก็แค่วิจารณภายในตนเองคือคิดหาเหตุผลแต่ตองภายในตนเองเอถูกใช่ไม่ใช่อะไรตามเหตุปัจจัยที่กวรที่ถูกเนี่ยไอ้พวกที่ไม่มียานนี่วิจารณวิจารณนะคือใช้แต่ความวิจารณ์พิภาควิจารณ์ไปหมดว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดไปหมดไอ้พวกเนี้ยระดับกูรูชนที่ลุ่มหล ม, ลมงมงายคนเนี้ย วันเวลามันมันตายวันไหนก็เผาวันนั้นไม่เห็นยังมีอีกแปลกอะไรวันศุกร์ใครเป็นผู้กําหนดวันศุกร์ขึ้นมาวันมันมีวันจันทร์อังคารพูดปรหาสศุกร์ไหมโดยที่แท้จริงมันมีไหมมันมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งใช่ไหมมันไม่มีหรอกจันทร์อังคารพูดปรหาสศุกร์เสาอาทิตย์ไม่มีวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นที่ล่วงไปล่วงไปแล้วจะพูดถึงขนาดเวลาแล้วก็ไม่มีหรอกวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีแค่การโฟลอจทุกลวงอาทิตย์เท่านั้นเองวันคืนมันก็ไม่มีอยู่จริง ทีนี้พราหมณ์มันโง่ไงพราหมณ์มันโง่ว่าวันนี้วันดีวันนั้นวันไม่ดีห้ามเผาวันนั้นห้ามเผาวันนี้ไอ้พวกโง่โง่ของพวกเราพราหมณ์เนี่ยไปด่าพราหมณ์คือพราหมณ์ทั้งพุทธการไม่ด่าพราหมณ์ยุคนี้พราหมณ์ทั้งพุทธการเขาไม่รู้ความจริงเขาไม่ได้เป็นพุทธเมื่อเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เป็นพุทธเขาจึงกำหนดวันเดือนปีขึ้นมาเพื่อกำหนดหมายวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีห้ามเผาวันนี้ให้เผาวันนั้น พอเขาไม่รู้เรื่องของวันเวลาแต่พระเจ้าทรางทราบไม่มีวันไม่มีเวลาทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยพาทิตย์ขึ้นพาทิตตกนี่คือสิ่งที่เราเห็นแต่ความเป็นจริงมีพราทิตย์ขึ้นไหมมีพาทิตย์ตกไหมมันก็ไม่มีไงเห็นไหมล่ะแล้วมันจะมีวันได้ยังไงแต่ทีนี้เราไม่เห็นเพียงแค่สมมติของโลกที่เขากําหน ด, ดไว้ว่าวันจันทร์กับวันศุกร์เป็นวัน ราชาการสเสาที่เป็นมันหยุดอะไรประเภทเนี้ยเราก็มาติดอยู่กับวันเวลาที่เขาตำดอย่างเนี้ยว่าเป็นจริงติดอยู่ในสมมุติว่าเป็นจริงนี่คือความหลงหลงอย่างมหาหลงหลงอย่างแบบยังไงโคตรหลงเลยนะคนน่ะนะคือเราใช้สมมุติได้ในความเป็นอยู่ของชีวิตใช่ไหมล่ะแต่เราอย่าไปหลงสมมุติว่าเป็นจริงแม้แต่กระทั่งกายของเราเองพระเจ้ายังบอกว่ายังยึดถือเป็นจริงเป็นจังยังไม่ได้นะ เราจะเอะไรเป็นจริงเป็นจัิงกับกายนี้ได้ไหมหน่ะวันนี้สบายดีพรุ่งนี้เรารับประกันได้ไหมจะสบายดีรับประกันไม่ได้อีกวันนี้ป่วยพรุ่งนี้อาจจะหายก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรประกันไม่มีอะไรพี่จะยึดถือได้กายนี้ยึดถืออะไรก็ไม่ได้เมื <altogether> ่อวานนี้ยังฉ <laugh> ันอาหารอร่อยอรอยู่เลยแต่วันนี้ดันฉันอาหารไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยอประกันอะไรไม่ได้เลยชีวิตนี้ฮะความคงที่ก็ไม่ได้ คือความหลงของชาวบ้านเนี่ยมันหลงอยู่กับพวกนี้แหละหลงกันแบบไม่รู้จะว่าหลงยังไงความตายไปห้ามความตายให้ได้ก่อนเนาะแล้วไปห้ามมาเผาวันนั้นวันนี้ก็มันตายวันนั้นเราจะเผาวันนี้แล้วเขาพร้อมที่จะเผาวันนั้นถามว่าไอ้คนที่เขาเผาวันศุกร์เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องของมันเวลาเลยเหรอถองเขาเผาอ่ะแล้วถูกวิจารณ์ว่ามันผิดมันไม่ดีอย่างนั้นน่ะทะเลาะกันเหมือนใช่ไหมอ่ะ โย่ยังก็ไปบอกว่ามันไม่เลี้ยวทีนี้ก็พานโดนเขตอบหนะาโย่ก็เลยเนี่ยเพราะเราเสียงเดียวเท่นั้สื่คนหลายเสียงด้ยส่วนแม่โย่ก็เลยบอกว่าถ้าม่เป็นไรให้มันตายที่หมู่บ้านนี่เลยเขาแล้วมันจะตายถ้ามันตายคืหมู่บ้านเลยอ๋อเขาถือกันว่าหากเขาผิดบันมันจะมีการตายแบบผิดประเภทแบบมาตายต่อตายต่อตายสายอะไรกันเข้าว่าอีสานก็เป็นอย่างนี้เลย เขาบอกว่าพระอาจารย์เผาจัดงานศพโดยที่ไม่สวดศพไม่มีการสวดอะไรมาริติกาบางสกุลอภิธรรมผิดฮี่ผิดคองผิดผีผิดอะไรแล้วแต่แล้วมันจะผิดผีตัวไหนก็ไม่รู้แหละไอ้ผีตัวนั้นไม่รู้มันมากระหือผีบ้านผีเมืองหรือผีตัวไหนไม่รู้แค่มันเป็นผีนี่เนาะกับพระพุทธเจ้าเราพุทธเจ้าเรากับผีเนี่ยจะเชื่อฟังใคร จะกลัวผิดพระพุทธเจ้าหรือกลัวผิดผีดก็ก็ต้องกลัวผิดพระพุทธเจ้าทีเนาะเอาพระพุทธเจ้าบอกแม้แต่คําพุทธการที่พระองเคยพาทํามานี่นะพุทธการที่พาทํามาพรธองค์เองก็เผาศพลูกชายของพระ อ, องค์วันที่ตายก็เผาวันนั้นแล้วก็บอกว่าอย่านิมนต์พระมาฉันอาหารหน้างานศพหน้าศพมันไม่ดีจะทําให้เกิดการตายตายแบบผิดผิดอะไร ผิดปกติคือจะตายเป็นศพตายตายต่อๆกันไปอย่างเนี้ยอัตมา ก, ก็ไปฉันก็ยังไม่เห็นมีใครตายต่ อ, ต, อต่อกันอย่างที่เขาเข้าใจเลยก็ไปฉันแล้วก็ไม่สวดแล้วก็ไม่มาติการไม่บางสกุลพุทธเจ้าเองในครั้งพุทธการอดีตการที่เป็นพราหมณ์เป็นนายพราหมณ์ผู้พีนาพตายก็ก่อนที่จะเผาก็กินข้าวก่อน ภรรยาจัดอาหารมาให้ศพลูกชายก็วางอยู่ต่อหน้ า, นาพราม์นั้นก็นั่งบริโภคอาหารจนอิ่มแล้วเขาค่อยยกล่างนิ้ขึ้นสู่เชิงตะกรอแล้วเผาแล้วพิจารณาทำอันนั้นถึงจะถูกาพาหม์นั้นคืออดีตของผู้ได้เจ้ารอนะเมื่อมันมีแบบวิธีในทางพูสธศาสนาที่ผูกเก่าสอนไว้อยู่แล้วแล้วทำไมมาทาผิดจากหลักคําสอนของผู้ได้เจ้า แต่ทีนี้ไปกลัวว่ามันผิดผีที่นผีบ้านผีเมืองผีบรรพกบรุษผีอะไรต่อผีอะไรไอ้ผีนั้นมันก็ผีอะอะไรก็เดี๋ยวยังไม่เคยเห็นสักทีใช่ไหมล่ะไม่รู้มันไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรเมื่อไหร่ไว้นี่คือความไม่ฉลาดไหเราใช้พิธีของพราหมณ์ที่ไม่มีความฉลาดเลยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าปอร์เซนเนี่ยเอาใช้พิธีของพราหมณ์แต่ประกาศ ด้วยลงปากว่ า, านับถือพุทธศาสนาบุตรทางสระนังคาฉามิธรรมังสระังคาฉามิสังฆังสระนังคาฉามิเอาพระพุทธเจ้ า, าพระธรรมโพสงเป็นที่ระลึกประกาศว่าอย่างนั้น่ะใช่ไหมหล่ะประกาศคําว่าประกาศว่ามีพระพุทธเจ้ า, าพระธรรมโพสงเขาเป็นที่ระลึกสรณะคือการระลึกเกิดเหตุอะไรขึ้นรนลึกถึงพระพุทธเจ้าทำมาพาทำมาอย่งงางไรระลึกถึงพระธรรมกล่าวสอนว่ายังไงในเรื่องนี้ระลึกถึงว่าโพสงท่านพาปฏิบัติมาอย่างไงต้องระลึกอย่างนั้นสิใช่ไหมไม่ใช่ว่า มีการตายแล้วไม่ระลึกถึงคําของผู้ได้เจ้าเลยว่าผู้ได้เจ้าพาจัด ก, การงานศพงานตายนี้อย่างไรไประลึกถึงแต่คําของพรม์ว่าเขาวันนี้ไม่ได้เขาวันนั้นไม่ได้ไประลึกถึงแต่ว่าต้องฉวดมตดิกาบรงสกุนไประลึกว่าห้ามห้ามมากินอาหารในงานศพไประลึกอย่างนั้นไม่รู้ระลึกถึงคําสอนของไครไม่ใช่ระลึกถึงผู้ไเจ้าเราทำก็สงฆ์ตามกําเปล่งประกาศของผู้นับถือ ในสิ่งที่ตัวเองเกล่าวไว้ด้วยลมปากของตนไม่ฟังเสียงที่ตัวเองเคยเกล่าวไว้ว่าพูดทางสระนักธารมีธรรมังสระนักธามีสังคังสระนักธามีพูดออกไปแต่ไม่ทําตามในสิ่งที่พูดไม่ยอมระลึกถึงสิ่งที่พง์ทรงพาปฏิบัติมาไม่ระลึกถึงคําสอนของพง ว, ว่าพงคำสอนพระงสอนอย่างไรไม่ระลึกถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์แต่ครั้งพุทธการท่านมีปฏิปทาการปฏิบัติต่ตอเรื่องนี้อย่างไรไปเอาแต่ทำของพามณ์พิธีพามณ์พิธีไสยศาสตร์พิธีการ ส่วนมาบรรจุไว้ในศาสนาในแบบวิธีการปฏิบัติกิจทางศาสนาเสีงหมดโอ้ยคนนี้พูดขึ้นมาแล้วมันน่องอาตมาก็จัดมาหลายศพแล้วก็ไปเห็นมีใครตายต่อตายผิดประเภทอะไรมันจะผิดผีตัวไหนวะอยากจะเห็นเหมือนกันในผีที่มันผิดอยากนห้นผัขึ้นมาเหมือนกันอ่ะมันผิดจริงไหมเราทําผิดจริงหรือเปล่าอยากจะถามมันนาถีตัวนั้นอ่ะผีบรนพ่อบุรุษตัวไหนก็ตาม จะเป็นผีบ้านผีเมืองผีประเทศหรือสยามประเทศนี้ก็อยากจะรู้ผีตัวไหนมาพาดกำหนดอย่างนี้ขึ้นนอกจากจะเป็นผีพาราหมณ์ทนั้นถ้าพาราหมณ์มันดีมันจะเป็นผีอยู่เลยมันก็ต้องไปสู่วิถีของพาราหมณ์ที่มันถูกต้องเพราะมันไปสู่ภพภูมิที่ดีสิ่ม่หล่ะนี่เรายึดถือตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เอาไปเอามานี่แหละพื้นฐานของชาวบ้านนี่แหละเรื่องปัญหาของชาวบ้านที่ไหนที่มันแก้ไม่ตกสักทีนี่ไอปัญหาการปฏิบัติไม่ได้ยากเนี่ยมันอยู่ในวงขอบเขตของตัวตัวเราเองใช่ไหมละ่ะเราก็พิจารณาตัวเราแก้ไขตัวเราก็ง่ายใช่ไหมละ่นะแต่ปัญหาของชาวบ้านที่มันมีทัศนคติความเห็นมีแต่วิจาร์ไม่มีญาณมีแต่วิจาร์มีแต่พูดไปตามปากมีปากก็อยากจะพูดไปตามเพราะตัวเองมีปากที่เฉ ย, เยไม่มีสติปัญญาควบคุมปาก ม่มียานควบคุงปากพิพาทวิจารณ์ไปตามคำพูดของตนเองอยากจะพูดเห็นไหมไอ้พวกนี้ก็จัด อ, อยู่ว่าเป็นผู้เชื่อในสิ่งที่เขาได้เล่ากันมาเขาเล่ากันมาว่าอย่างนี้เท่านั้นถ้าเผาวันสุกร์เขาเล่ากันมาอย่างนี้เชื่อตามคําบอกเล่าของคนอื่นไม่ได้เชื่อด้วยการวิจารณญาณด้วยเหตุผลภายในจิตใจของตนไม่มีสติไม่มีปัญญาภายในตนสิ่งที่พูดก็พูดด้วยการขาสติ ทุกคำพูดที่พูดก็ขาดสติไอ้การขาดสติเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือมีโท ษ, โทษมีโทษแน่แน่เห็นไหมเราก็ตอบได้ว่ามีโทษการขาดสติแล้วโทษนั้นนําไปสู่สุขติหรือทุกขติก็ทุกขติไงทุคติมันก็ไม่ดีมันเป็นความงมงายอย่างหนึ่งในมิจฉาทิฏฐินําไปสู่ทุกขติมีสุมีทุกขติเป็นที่ไปไปไหนบ้างเกิดในสัตว์เลี้ย้าน เป็นพี่พี่สารสูรละไก่พ่ออะไรพร่อยึดถิวงวมความงมงายเอาความงม ง, งายมันเกี่ยวอะไรกับสัตว์รันดรชันเห็นไหมเวลาสัตว์เวลามดเวลามันเดินต่อกันมันเดินตามก้นกันมันรู้ไหมว่าตัวหน้าจะพานไปไหนไม่รู้หรอกไอตัวหน้าไอหัวใหญ่มันมันทาไปไหนมันไม่รู้หรอกมันรู้แต่ว่าคุณต้องเดินตามก้นกันไปยอย่างนั้นเลย เราจะเหยียบมันตายอยูแล้วมันก็ยังเดินเพราะมันเฉยอยู่นั่นใช่ไหมขนาดว่ามันมาไต่อาหารซึ่งคนก็ทําอาหารวางไว้มันก็มาไต่อาหารอย่างเงี้ยแล้วมันไม่รู้เลยหรือว่าคนจะจะไล่มันออกหรือถึงกับฆ่าชีวิตมันมันก็ยังตามไอหัวหน้ามาเฉยเป็นแถวกันอยู่นั่นไม่รู้ว่าภัยแห่งชีวิตจะมาถึงตัวมันไม่รู้มันก็ตามกันมาไอตัวหน้าพากูไปกูก็จะไป ไอ้คนก็เตรียมจะจัดการมันแล้วไอ้คนนี้นนไม่รู้ตัวชะตาชีวิตมันเพระศาสดาสอนให้พวกเราเกิดความรู้ความเข้าใจไม่ให้เกิดความหลงแต่เราก็ยังเอาความหลงมาเป็นเครื่องประดับจิตประดับใจประดับสติปัญญาของเราอยู่แล้วอวดในสิ่งที่เป็นเครื่องประดับอันเป็นความหลงว่าเราดีอย่างเงี้ยไอ้อันเครื่องประดับที่เป็นความหลงเน่ยสั ญ, ญลักษณ์แห่งความหลงว่าถูกต้องไอ้โบราณเก่าๆนี่นะ มครอบงําใจคนอยู่นี่เขาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเราเชื่อไงเราถึงการลบหลู่ใช่ไหมล่ะเราเชื่อนะว่าโบราณสอนมาผิดอัตมาดิเชื่อว่าโบราณสอนมาผิดเ ช, ชื่อว่าสิ่งที่ขอสอนมาน่ยมันผิดถามว่าถูกไม่มีเหรอถูกก็มีแต่คนไม่เข้าใจในสิ่งที่โบราณสอนว่าถูกที่สอนที่ถูกนั้นคืออะไรสอนที่ถูกคือแบบไหนอย่างไร เราไม่เข้าใจว่าบรลางโบราณเขาเขาไปดึงเรื่องเราแต่และเรื่องเรามาเนี่ยเพื่ออะไรเราไม่เคยตีความหมายในเรื่องเราเหลนะ่านั้นเมื่อเราไม่ตีความหมายเราไม่เข้าใจในสิ่งที่โบราณบอกมามันก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> แห่โศไปแล้วหวานเข้าตอกมีมีไหมทุกวันนี้มีแต่วานเลี้ยงวันเข้าตอ <c oughs> ไปตามทางวันวันเลี้ยงนี่เพื่ออะไรวันเลียงคือเหมือนกับปรยทานกอนทีเอาสุกเป็นขอปรยทานให้ใคร นคนที่เขามาวงงานการระพึกน nice> ั<_<_ mm. ่นแหละกานะการะพึกเขาไว้โ่รยตอนเผาแล้วไหมนี_<_<_่เหรออันนี<_<_<_<_้อันที่บ้านเขาจะปรยเย็นก่อนเผาก่อนเอาอ๋อทานี้เขาโปรยก่อนเผาเลยอ๋ออ๋อใช่ใช่ใ่เนาะอ๋อมีเหมือนกันนะตอนตอนที่เขาเคลื่อนศพไปเนี่ยคือคือมันนีผู้ชายคนเดียวที่คอยพยุงลงอ่ะอาจารย์แล้วก็มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันจะล้มอ่ะค่ะล้มอ่ะมันจะตกก็ไม่มีผู้ชายอะไรที้คนที่เขาขับรถ ก็บอกแม่ยว่าขึ้นมาช่วยจับนอนแมยก็ขึ้นรถไปช่วยจับลงเขาก็วิจารณ์กันอีกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงเข้าไปจับทำไมเรียกอาเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่โยกบอกกับปอนต์ใต้้อกูบานนั่ะไม่อยากจะพูดแล้วเรื่องโลก่อให้มันโลกมันหลงกันลงมันไปมิูนความมื่นบอดกันไป เฉพาะพวกเรานี่แหละพอจะไปก็ได้ไปเราเป็นเพศที่จะหนีออกจากโลกแล้วอีกพวกหนึ่งบกอยู่กับโลกก็ปล่อยให้บกอยู่ไปก็ไม่ได้ว่าก็เขาปรารถนาอย่างนั้นเขายึดติดอยู่ในส่วนของความเป็นโลกก็เป็นธรรมดาวัฏฏ <c oughs> า, านี้น่ากลัวแต่เขาไม่ได้มองว่าเป็นน่ากลัว วตาตัที่ยังต้องยืดไปยืดยาวนานในการท่องเที่ยวเกิดตายเกิดตายเกิดตายจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ในตัวเองเกิดตายเกิตายยังม่มีที่ที่สิ้นสุดยืดยาวน า, นานไม่ใช่ยืดยาวนานเท่านั้นนะยืดหยืดหยุดยุดยาวออกไปนานนานนานจนหาระยะการไม่ได้พูดให้เจ้าก็ไม่รู้ว่าเริ่มแรกที่ที่แรกแรกแห่งการเกิดมาจากไหนพระองค์ยังไม่รู้ด้วยสัมพันธ์ยุ่แต่ยางนะ ยังไม่รู้เลยว่าจุดเริ่มต้นแห่งการเกิดแรกๆมาจางไหนเห็นไหมระดับผู้เผยพระเจ้ายัางรู้ว่ามันนานแค่ไหนโพลองเดินมาเสีสยสงไขที่นับได้นี่คือไม่ใช่นับตอนเกิดนะนับตอนเริ่มป่าตาถนาพุทธภูมิก่อนที่จะมาป่าตานาพุทธภูมินะเกิดเป็นอะไรต่ออะไรต่อมากมายก็ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อไอเริ่มปรารถนานี่จิตคิดป่าตานาอยากจะเป็นผู้เเจ้าหนะ่อยนับมาจนถึงปัจจุบันที่โพลองตัสรู้เนี่ย ยีส่สิอสองไข่ในทะี่สี่อส่งไข่สี่อสงไข่นี่คือรับพยากรรับพยากรครั้งแรกจากผู้ได้เจ้าน้ำว่าวิปัสสีด้วยไงประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะถ้าถ้าจํามาไม่ผิดว่าเธอจะได้เป็นผู้ได้เจ้าในอนาคตการข้างหน้าน้ำบาสมโโมนโคดจะมีภาษาโวคู่อัครสาว ก, าาาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องขวาน้ำบาสาลีบุตตเบื้องซ้ายโมกขลรานะก็จะถูกพยากรณ์อย่างนี้ นับมานี่ยบำพิดสี่อสองไขยแสนกับก่อนหน้านั้นแค่ปารธานานั้นน่ะโอดเยอะเยอะสิบหกอสองไขยแล้วก่อนที่จะมาปารธานาอีกก็เจออะไรมาอะไรต่ออะไรนักหนาเกิดใต้กแบบันงงงายอยโบโลกคนนี้เข้ามาตั้งงงตั้งนานนะีลยเกิดจะมารู้ซึ้งว่าความหลุดพ้นจากกองทุกข์คือพ้นออกไปจากการเกิดนี้คือเส้นทางที่จะพาคนหมดทุกข์หมดโศก ผมก็จะีตังหาตังตาบงังผิดเขาเป็นธรรมดาดวงจิตที่ถูกก่อขึ้นมาจากเจตสิกแล้วก็ถูกความไม่รู้ความงำก็เวียนไหลต้เกิดอย่างเงี้ยเวียนตายเวียนเกิดไปขณะที่เกิดอยู่อย่างนี้ปัจจุบันนี้เวลานี้ความสุขหรือความทุกข์มันมากกว่ากั น, กนมอายุเท่าไหร่ห8ป ห้าสิบแปดเทียบกับแล้วใช้ชีวิตมาห้าสิบแปดปีความทุกข์มันมากกว่าไปใช้ชีวิตยังไงให้มีทุกข์อะไม่รู้จะบอกไงโอ้มันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่รู้จะบอกยังไงเนาะมันก็รู้รกันอยู่เนาะเกิดมาก็เห็นเห็นกันอยู่นทุกข์เพราะอะไรอยากจะรู้ว่าทุกข์เพราะอะไรเดินก็ไปโรงพยาบาลที่ มีคนยิ้มไหมอยู่โรงพยาบาลแต่ละคนหน้าตาหน้านิ้ยคิ้วคงมันปวดโวยสายน้ำเกลือก็ห้อยระโ ย, ยงระยางห้อยขา ย, ยกชี้โดชี้เดยอยู่แผลเย็บแผลอะไรก็ช้ำบวๆๆมเต็มไปหมดหายใจหอบแคกแขกแกต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็เยอะโรงพยาบาลตอนนั้นก็ยังจะยินดีในความสุขในความเป็นอยู่ของชีวิต ในความเป็นมนุษย์อยู่เหรอมันมีอะไรน่ายินดีแต่ก็ยินดีแหละธรรมดาแหะความหลนบอกให้เรายินดีความไม่รู้บอกให้เรายินดีกิเลสบอกว่ายึดถือเลยร่างกายเรานี้ของเราเราต้องสแสวงหาสุขในร่างกายให้เต็มที่จะทําอะไรก็ทําำไม่ได้ความสุขไม่ต้องไปนึกถึงหรอกความถูกความผิดความดีความชั่วไม่ต้องไปถึงนึกถึงพบหน้าชาติหน้าขอคุยสุขเข้าใส่ตัวเองให้มากๆเยอะไหมละ่ะกิเลนจะบอกอย่างนั้น พอดลนกอบโกยความสุขมาก็เจอแต่ทุกข์ยิ่งพิเดลนยิ่งแสแงหากอบโกยความสุขก็ไปเจอแต่ทุกข์น่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกิเลลก็จะหลอกเราแต่ไม่ยอมพิจารณาทุกข์ให้มันเกิดเป็นสติปัญญาว่าอ๋อนี้ชีวิตนี้มีความทุกข์อย่างนี้เลยไม่ยอมพิจรานะรณาเพื่อที่จะได้สัดส่วนออกไม่ต้องมาปฎิฐานการเกิดกับมันอีกแต่ก็ถูกความหลงงมงายบอกว่าสู้ต่อไปรีบต่อไปอย่างเงี้ยกิเดลมันบอกให้เราสู้ไปพร้อมกับมัน แล้วมันโยนความทุกข์ให้กับเราแต่มันกิเลสไม่ยอมรับความทุกข์พร้อม ก, กันกับเรามันให้เรารับผิดชอบแต่ความทุกข์ฝ่ายเดียวแล้วเราก็มาบ่นว่าทุกๆก็ศาสนานี้มีสอนไว้เพื่อให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็ไม่เดินตามศาสนาน้ะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้กว่าจะมารู้ว่าศาสนามีประโยชน์ยังโอ้ยบางคนก็ใกล้จะตายที่ม้วนพระมาให้หน่อยใกล้จะตายตอนมีชีวิตอยู่ตอนดีๆร่างกายแข็งแรงไม่ยอมไปหาพระ แต่ตอนก็จะตายอยากให้ภาพมาอยากจะทําบุญนั่นทําบุญนี่อยากให้ภาพมาสวดให้ <c oughs> ก็ติดการสวดอีกแล้วแทน <c oughs> ตอนมีชีวิตอยู่ไม่ปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่เทิดเลยเนี่ยเอาไปเอามาจะเป็นการบ่นแล้วนี่น้องแยกให้ออกนะบ่นกับเทนดที้เหมือนกันนี นั่นมีแล้วจะมีคนมาขอบวชจะให้ทำยังไงจะขอตอบว่าพระอาจารย์ไม่ได้เป็นพระอุปชาบวชให้ไม่ได้จะไปบวชที่ไหนก็ไปแต่ถ้าบวชแล้วจะมาอยู่ด้วยก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้กันก่อนในการที่จะอยู่ร่วมกันเนีใ่ใครถามมานี่คนรู้จักกันหรือเปล่าหรือไม่รู้จักหร่ยังไงกันแน่ มีไหมมีชื่อไหมถ้าจะบวชก็หมายถึงว่าต้องมาอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรรับใช้โสงฆก่อนใช่ไหมออรับใช้สงอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้เขาเรียกว่าปฏิปทาความเป็นอยู่ของความเป็นท่าทางดำเนินและข้อปฏิบัติในความเป็นพระภิกษุ ว่าความเป็นพิสูจน์นั้นจะมีจะดํารงอยู่ความเป็นพิสูจน์อย่างไรจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในเพศของนักบวชโดยความเป็นผู้ไม่ว่ายากสอนอยากเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้สอนง่ายเป็นผู้ไม่ทะเยอทะยานอยากในกรรมคุณยิ่ยิขึ้นไปเป็นผู้อยู่กับความสงบสงัดสันโดษเป็นผู้มักน้อย คือฝึกเรียนรู้ในความเป็นพระกันเลยฝึกเรียนรู้พอมีโอกาสที่ครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาวว่าควรจะบวชได้ท่านก็จะพาไปหาพระอุปชาแล้วพาไปบวชอย่างเงี้ยแต่พระอาจารย์บวชให้ไม่ได้แต่พาไปบวชเพื่อหาอุปชาจะได้อยู่ถ้าจะมาบวชก็ามาภายในปีนี้ถ้าเลยปีนี้ไปไอยากจะรับใครเนี่ย ตั้งใจว่าจะบวชอรังเป็นคนสุดท้ายตั้งใจไว้ย่างไงแต่ถ้ามาก่อนหน้าแน่ได้ก่อนอรังจะบวชงั้นอรังก็ย้ายเปน็นคนอีกห้าปีสิปีไปว่าไปจะได้มีคนบวชเดยอะบวชเดยอะก็ไม่ใช่บัดดีนะบวชแล้วไม่มาปฏิบัติหรือปฏิบัติมาปฏิบัติอยู่ด้วยถ้าไม่ฟังคําของครูบาอาจารย์ ยึดถือแต si ่ท um ิฏฐิมานะของตนมันก็ไม่ดีไม่ดีดีขึ้นการบวชปฏิบัติต้องยอมรับฟังคําแนะนําของครูบาอาจารย์สมัยอาตมาอยู่ครูบาอาจารย์นี่สมัยอยู่ครั้งแรกดื้อกับครูบาอาจารย์เพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยดื้อแต่ไม่ใช่ดื้อเพราะยึดถือทิฏฐิมานะของตนแต่ดื้อเพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนก็เลยดื้อ เมื่อดื้อแล้วไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนก็เลยเกิดปัญหาในความเป็นอยู่อยู่ด้วยกันกับท่านไม่ได้พออยู่ด้วยกันกับท่านไม่ได้ก็เกิดความขัดแย้งจนถึงกับจะให้ลาอยากลาสิกขาแต่เมื่อแก้จิตตัวเองได้กลับไปอยู่กับท่านทีนี้ยอมหมดทุกอย่างท่านจะบอกท่านจะสอนท่านจะแนะนำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องใ ด, ด, ดๆก็ตามไม่มีความขัดแยง้งคับเรื่องยอมลาขามในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงไม่จริงยังไงก็ตามยออหมดมันต้องยอมยอมอยู่กับครูบาอาจารย์จะได้ดีแต่ถ้าไม่ยอ ม, มก็ไม่ได้ดีถูกดูถูกด่าถู ก, ถกว่าคอะไรสรรพัดต้องยอมยอมแล้วต้องรับให้ได้ รับไม่ได้กว้ยเสียดอีกอยู่อยู่ไม่ได้อีกลองรับไม่ได้ยอมรับบวชเข้ามายเยอะๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีหมดนะมีดีไม่กี่คนเหมือนกนะันลูกศิษย์อาตมาเนี่ยแต่ก็ดีเยอะกว่าเหมือนกันฮะ <c oughs> ดีก็เยอะกว่าอยูน่นะก็ธรรมดาเลยก็เกี่ยวข่าวต้องได้ข้าเมล็ดมาบ้างธรรมาดา ใช่ไหมล่ะปู่ข้าวจะให้เ ด, ดจิตเมตสมบูรณ์ไปเสมอไปไม่ใช่ไงต่อที่นี่เรื่องอะไรนะระเบียบการบวชอยู่ที่นี่คือต้องมาอยู่ศึกษาพ้<ม>อวัดปฏิบัต<ม>ิอันควร<ม>เป็นอยู<ม>อย่ร่วมกันกับหมู่พระภิกษุมาเรียนรู้ให้เข้าใจกัน ก, นก่อน แล้วก็ให้เป็นนักบวชที่ดีบวชก็มาแล้วเป็นนักบวชที่ดีไม่มีทิฏฐิมาหน้ต้องนะเป็นพ่อขาวกว่าเป็นแกเขาเรียกว่าเป็นพ่อขาวอย่างเงี้ยต้องมาตัดหญ้าให้ได้กอนนะในในขณะที่มาเป็นก็ภาวนาไปได้ไม่ใช่ว่ารมีภาวนาเขาปฏิบัติภาวนาไปได้ขึ้นดอยเกียงก็ได้ดอยเกียงก็มีอยู่แล้วคนหนึ่งนั้นอย่างเงี้ เตรียจะ บ, บวชเหมือนกันยงนอะ น, นี่เรื่องอะไรที่นี่ตอหมดอหมดก็ออกแยกแล้วเนีอหมดแล้วนี่ยนี่ได้พูดเรื่องที่เป็นสาระหรือยังมา น, นี่พูดแล้วเนาะมันได้สาระแล้วใช่ไหม เออถ้าได้สารแล้วก็พอแล้ววันหน้าค่อยหาสาร อ, อันใหม่ต่อวันนี้ได้สารเท่านี้ก็ก็ถือว่าได้แล้วมีประโยชน์แล้วเอาละพอสมควรแก่เวลาเอวัง